หอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหันตตาสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันตั้งใจนั่งขัดสมาธิทุกๆคนการนั่งสมาธินี้ให้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 รวมอยู่ในพุทธโธนั้นทำแปดมื่นสี่พันพธรรมขันก็ให้รวมลงไปที่พุทธโธนั้นถ้าไม่มีพุทธโธไม่มีพระพุทธเจา้ามาตรัสลู้ในโลกเป็นองค์พุทธโธอะไรอะไรทั้งหมดกิจกรรมในทางพุทธศาสนาก็ไม่มีทางนั้น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 แม่เราตั้งใจนึกบริกรรมภาวนาพุโทโธก็จัดเข้าในบารมีสามสิทัะบารมีสิบนั่นเองเมตตาภาวนาเราตั้งจิตเจตนาภาวนาอยู่ก็คือในบารมีนั่นแหละอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อรวมเข้ามาแล้ว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 ร่างกายสังขารที่จะเป็นอยู่ต่อไปมีชีวิตสืบเนื่องไปก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าขาดองค์พุท ธ, ธะจิตผู้รู้อยู่ในตัวในใจพุโทโธพุท ธ, ธะนจึงเกี่ยวโยงทั้งหมดถ้าเราไม่ได้ภาวนากี่ว่าพุโทโธพระพุทธเจ้าโน้น ทัานไปเห็นว่าพระพุทธเจ้าโน้นท่านดับขันเข้าสู่นรกพานไปแล้วเราผู้โยภายหลังก็ไม่ตั้งใจภาวนาอีกเพราะว่าพระพุทธเจ้าเอามรรคผลนิพพานขนไปหมดไม่เหลือไว้ให้พวกเราทั้งหลายความจริงไม่เป็นอย่างนั้นพระธรรมพระวินยัย พระวีไนคือคือว่าข้อห้ามหลักสินห้าสินแปดสินสิบสองรอยี่สิบเจ็ดห้ามไม่ให้คนทําชั่วไม่ประพฤติเหลยวไหลเรียก ว, ว่าข้อห้ามข้อห้ามนี้เรียก ว, ว่าพระวินัยพระวินัยข้อห้ามเหล่านี้ก็จําเป็นทุกคนจะต้องมีจะต้องรักษาถ้าไม่มีการรักษาอยากทําอะไรก็ทําไป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 แต่ว่าถ้าใจเสียใจเป็นบ้าใจเสียจริตผิดมนุษย์เอาละเท่นี่กายจะดีเท่าไหร่ก็ใจเสียแล้วใจเป็นใบเป็นบ้าไม่รู้ว่าอะไรต่อเป็นมิอะไรถ้าใครเกิดเป็นคนใบบ้าเสียจริตผิดมนุษย์ใจไม่ดีแล้วก็เลี้ยวว่า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 ท่านก็ว่าคนเรานั้นมันสำคัญที่ใจแล้วว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นใหญ่ในโลกมนุษย์ก็ว่าได้ใจเป็นใหญ่ในลูกในตัวนี่ก็ได้เมื่อใจนี่แหละเป็นใหญ่เป็นประธานใจเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วโดยดวงใจถ้าใจไม่ตั้งใจไม่เอาฐาน ใจไม่ภาวนาใจขี้เกียจใจมักง่ายใจโลเลไม่มีหลักไม่มีฐานเอาแหละที่นี่มันเก็เสียไปหมดท่างจึงตัดว่าภาวนาให้ดีทำใจให้ดีเพราะอะไรก็เพราะใจมันเป็นใหญ่เป็นตระหาทำอะไร จะสำเร็จลุล่วงไปได้ก็เพราะใจเป็นใหญ่เป็นประทัดพระพุทธเจา้าพระปฏิเจ้พจาพระอรหันตาเจา้าพระโสดาพระสกิทาคาอนณาคาทั้งคฤรืหัดและญาตโยมภิกษุสามนเณรผ้าขาวนางทีจะดีได้ก็อยู่ที่ใจใจนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีดีมันดีเอง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 ใจไม่กลงในหลักสินห้าสินแปใจไม่กลงในไหวพระสวดมนต์ภาวนาใจขี้เกียจขี้ข้านท้อถอยท่องบนสาทยายพระธรรมคำสอนไม่ได้แต่คิดฟุ้งซ่านลำคาญไปตามอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะได้ <c oughs> ตลอดคืนก็นได้ตลอดวันก็นได้ นี่แหละคือมันคตในข้อคตในข้องอในกระดูกไม่ใช่กระดูกร่างกายมันงอใจมันงอใจงองแงเพันใจไม่ตั้งมัน่นใจไม่เอาจิงใจมันคดไม่ซื่อตรงไม่เป็นสุปฏิปนันโนไม่เป็นอุชุปฏิปนันโนไม่เป็นยายะปฏิปนันโน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 นั่นแหละเพืนว่าใจมันไม่ต่างใจมันไม่ดีใจมันด่างใจมันสกปรกคือทำดีภาวนาให้ใจดีไม่ได้แต่คิดชั่วเหลวไหลคิดได้ทำได้นี่ยแล้วเรียกว่าใจไม่ดีแล้วต้องละทิ้งเอาใจดีใจดีเป็นใจอย่างไรใจดีก็ใจพระพุทธเจ้า ใจพระปัะเจกขพุทธเจ้าเพื่อนไม่โกรธให้ใครเพื่อนไม่โลภอยากได้ของใครสมบัติของใครท่านก็เห็นว่าเป็นสมบัติของแต่ละบุคคลไม่ล่วงเกินใครท่านมีเมตตาเมื่อใครมีความสุขกายสบายใจในทางที่ดีท่านก็ส่งเสริม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 ใจบาปใจอกุศลใจไม่ละความโกรธความโลภความหลงเนี่ยเป็นว่าใจบาปทําบาปคิดบาปถ้ามันได้โกรธให้ใครใจอัน น, นมันโกรธใจดําอยู่นั่นแหละ mm. เพื่อนยังไม่ถึงเวลาตายก็อยากให้เพื่อนตายเมื่อได้มันจะตายเสียที mm. เราจะได้สบายมันจะสบายอย่างไร ก็ขเขาตายทางโลกอยู่ยังเหลือเราอยู่มันเกิดเห็นว่าสบายอย่างไรสบายมันต้องละความโกรธละความอิจฉาพยาบาทความอาฆาตจองเวรแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเมื่อภาวนาเห็นแล้วก็รีบละอย่าไปรอว่าพระสีอานมาจึงจะละอย่างนี้ไม่ทันพระไหนก็ละได้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 พุทธโธหมายถึงร พ, พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหมายถึงผู้ห้ามทัพห้ามกิเลสห้ามกิเลสแล้วก็ตัดกิเลสฆ่ากิเลสด้วยใจพระพุทธเจ้าฆ่ากิเลสให้ตายขายกิเลสให้ออกทำลายร่างฐานกิเลสราคะโทสะโมหะจนหมดสิ้น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 เมื่อใจใสใจตั้งมัน่นใจเย็นใจสบายใจเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวมันมองเห็นได้หมดหละอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกมันเห็นในจิตนั้นเพราะมันใสดูเวลาเราดูกระจกเงาดูแว่นดูกระจกเงา เมื่อเช็ดให้ดีแล้วมันใสไสก็มองเห็นหน้าเห็นตาเห็นเปื้อนเป๊ะเละเทะเทนี้ถ้ามันไม่ใสมองก็ไม่เห็นหรือว่าน้ําที่เราตักมาน้ําใสดี่ถ้าเรามองมันไม่สันสะเทือนน้ําธรรมดามันก็เป็นกระจกเงาเป็นแว่นซองดูเงาหน้าได้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 เป็นทุกข์เป็นร้อนจนเจ้าตัวบนเพอลำไรทีเดียววะกรรมอย่างนี้บาปอย่างนี้ความทุกข์อย่างนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ทำเลยทำไมหนอข้าพเจ้าจึงได้รับนันะสิ่งใดที่ตัวเองได้รับนั้นให้เข้าใจเสถิดว่าเราได้ทำได้พูดได้คิดมาแล้ว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 ทำไมคนเราจึงตาบอดบางคนทำไมจึงเป็นคนหูหนวกทำไมจึงเป็นคนปากแหว่งทำไมจึงเป็นคนขี้ไล่ขี้เละทำไมจึงเป็นคนดำทำไมจึงเป็นคนขาวมันมีเหตุมีปัจจัยทั้งนั้นมันมาจากผลกรรมอันบุคคลนั่นทามาเมื่อเรา ใจคิดบาทโกบกให้คนอื่นให้ขตาเขาบอดกี่ภพกี่ชาติมาแล้วก็ตามผนก ร, รมอันนั้นมาถึงเข้าไม่ว่าจะอยู่ในเพศใดไวไดัยใดมันก็ได้รับผลอย่าว่าแต่คนเราธรรมดาแม่พระอรหันตาสมัยก่อนโน้นเปิ้นมีพระจักขูบาล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 มันก็เจ็บขึ้นมาอีกมันหายเป็นขาวๆทีนี้ก็เอายาตาบอดใส่ให้ละมันตาเขาก็แตกเป็นคนตาบอดไปผนกรรมอันนั้นแหละเมื่อท่านจักขุบานภาวนาไม่หลับไม่นอนเหมือนดมันดานให้เป็นไปยนต์ตาแตกตามื่อดูโลกนี่แหละมันแตก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 พระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงสาวกเจ้าทางหลายนั้นท่านละลึกได้ในกรรมที่ตนกระทำเมื่อกรรมชั่วมาถึงตัวท่านก็นยอมรับไม่ปฏิเสธส่วนกรรมดีให้ผลท่านก็รู้แม่องาศาสดาสมมาสมพุทธเจา้าที่คนเขาลบนับถือทำบุญให้ท่าน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 เราต้องทำเหตุทำปัจจัยอันนี้ให้เพียงพออย่าไปมักง่ายให้เจริญให้มากภาวนาให้มากทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำดีได้และอย่าไปรอให้ผู้ยังเด็กอย่าไปรอว่าให้แก่เช่ก่อนจึงทำอันนั้นก็ไม่ถูกการปฏิบัติพาวนาทำคุณงามความดีนั้น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 พ่อแม่พาไปฟังเทต์ฟังธรรมเพื่อภาวนาทำความเพียรละกิเลสได้เหมือนคนใหญ่ละกิเลสได้แต่อายุเจ็ดขวบเป็นพระโสดาก็มีเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคา ท, ทั้งทังที่โยนในเพศเคลหันเป็นถึงพระอระหันต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 มันจะเอาแต่งง่ายอย่างเดียวนะ่ะเอาง่ายว่าขอให้ได้ง่ายๆเกิดพอแล้วเทนี้คันฟังเทศฟังธรรมฟังคําสั่งสอนไม่ภาวนาพุโทโธในใจก็มักจะไปฟังเอาว่าท่านองค์นั่นองค์นี่ในสมัยข้างก่อนนั่นพอฟังธรรมก็ได้สําเร็จไปนิพพานเลยลอยฟ้าไปเลยเอาล่ะอยากได้อย่างนั้น นั่งหลับตาภาวานาเป็นทุกข์เป็นรอดไม่เอาข้าจะเอาอย่างง่ายเวลาทำมันไม่ใช่ของง่ายมันต้องทําปฏิบัติภาวานายาได้มีความท้อถอยพุทโธในใจแล้วว่ายั่งไว้ยึดไว้ในใจมันจะโกรธมันก็โกรธไม่ได้มันคาพุทโธมันจะโลภอยากได้นั่นได้นี่มันก็โลภไม่ได้มันคาพุทโธเรานึกพุทโธอยู่เนะ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 เอามาใช่การเอามาสั่งสอนเอามาละกิเลสราค ะ, ะโทสะโมหะของตนไม่ได้แต่มันมีอยู่เมื่อพระพุทธเจ้ามาตรัสมาที่แจงสแสดงเป็นหมวดเป็นหมู่ไว้แล้วเอามาฝึกฝนอบรมตัวเองจิตใจตัวเองมันก็ได้ผลง่ายขึ้นไม่ต้องดูอื่นไกลแหละ <c oughs> ดูที่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 วิชาเหล่านี้มันก็มีอยู่แต่ว่าสมัยใดยคนโง่เขาเบาปัญญาคนไม่มีปัญญาไม่รู้จักเอามาดัดมาแปลงมาแก้มาไขให้มันเกิดประโยชน์มันก็ไม่ได้แต่มนุษย์สมัยนี้เขามีเขามีขวากะนี่หละไฟฟ้านะแต่ว่าคนฉลาดคนรู้คนเข้าใจไม่มีก็เลยเอาขึ้นมาใช้ไม่ได้ ถ้าคนฉลาดคนมีปัญญาคนมีอัตมีสต่างเอาขึ้นภูเขามันก็ขึ้นเอามาในถ้ามันก็มีไฟไฟฟ้ามันก็ใช้ได้เน่แหละถ้าทําวินัยสัตวุศาสนาคําสอนของสระพุท ธ, ธเจ้าก็มีอยู่แต่ว่าถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้ามาตรัสมาชี้แจงแสดงเครื่อ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 เทียงเครื่องใช้ไม่สอยของบุคคลของจิตใจนั้นใจมันเป็นใหญ่เป็นประธานสําเร็จแล้วในดวงใจจิตใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเหมือนสมัยราชาทิปไตยพระเจ้าแผ่นดินเป็นใหญ่ถ้าพระเจ้าแผ่นดินจะฆ่าให้ตายก็ได้เพอท่านเป็นใหญ่ บอกราดชะดให้ทําให้อะไรได้หมดเหมือนกายกับใจของเราทุกคนมันคลองอยู่ในตัวของเรานี่แหละแต่ว่าถ้าใจไม่ตั้งใจไม่ดีใจเสียก็เลยพาตัวพากายให้เสียไปจึงเกิดมาเป็นคนใบ้บัง่งเป็นคนบ้าบัาง่งเสียจริตผิดมนุษย์บัง่ง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 ยึดใจของเราที่ให้ภาวนาพุโทโธหรือภาวนาอะไรให้ใจมันเป็นแก่นแก่นศีลแก่นธรรมแก่นคําสั่งสอนให้มันอยู่ในใจมาให้เป็นใจเหลวไหลใช่การไม่ได้เ ใ, ใจดีใจดีก็คือว่าศีลสมาธิภาวนานั่นเองใจดีก็คือว่าทานศีลภาวนานั่นแหละผลที่สด มักผลนี่ผ่านมันก็ไปถึงได้รู้ได้เข้าใจเพราะว่าใจดีใจมีความภากใจมีความเพียรใจมีความหมั่นความขยันใจมีความอดความทนหนักก็เอาเบาก็สู้ตั้งใจประ